ก็จะเป็นกระดาษนะครับสีขาวนะครับแล้วก็ปากกานะครับท่านใดที่สงสัยข้ออัดข้อถักท่านก็าาาสามารถเขียนลงบนกระดาษนะครับให้ผู้จ้างบรี้ัธรรมรัตน์นะครับตอ บ, บเอาได้เลยได้เลยไปเอราริจาคเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาไาปรนนครับา เชอาุ้งกร์มาที่ผ้องครับอ้าวอย่าเพิ่งลังเลรีบรีบเข้าอ่าหลวงพ่ออยู่ไกลนะ สองชั่งกว่าอืมอ้าวยกมือยกมืออืมนั่งหลับกันไม่เปล่าเนี่ยฮะ ฮะฟังยังไงเข้าใจดีแล้วเกินฮะ คือปัญหาเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะสมมติว่าคนหนึ่งถามปั๊บมันจะเหมือนกันเกือบทั้งห้องเลยอะจะมันจะเหมือนเหมือนกันเกือบทั้งห้องเลยไม่เชื่อลองดูเราจะทํามาหลายหลายฉบับก็เหมือนกันเลยเราเคยตอบปัญหาเนี่ยบางทีเป็นสิบๆใบามาโอ๊ยตอบตอบข้อเดียวก็จบเพราะมันมันไม่ต่างอะไรกันเอาส่งมา และใครจะอ่านทันใครจะอ่านรู้ทันเนี่ยเดี๋ยวส่งมาหมดตั้งห้องนี้โอ้ยคืนนี้ทั้งคืนไม่จบอ่ะแต่ไม่เป็นไรเราไม่ต้องออกไปกินข้า ว, ว อ, อ่ะเราอ่ะใครยังจะต้องออกไปกินข้าวอ่ะ ไ, ไปทานข้าวกันนะอ่อ okay. อนะ น, ในใีะะ่ขอเก่าข้อแรกโปรดสารครับคำถามแรกนะครับการธรรมชาตของคม ขอได้ย่าถามว่าอ่ที่ศีลอย่าความว่าอย่างไรแล้วจะปฏิบัติรักษาศีนให้บริบูรณ์ได้อย่างไรครับอืมเราตั้งใจรักษาศีนห้าเราก็ถือเคร่งครัดไม่ยอมไม่ขาดไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักซับไม่ไม่ผิดในกรรมเรื่องกรมทั้งหลายเนี่ยมันท้าทายมากการมเนี่ยท้าทายมาก ยิ่งเนเราอยู่ในสังคมครุกคลีผู้ชายผู้หญิงอย่างนี้ด้วยแล้วเนี่ยมันทถ้าถ่ายมากใครถือยิ่งกับเรื่องเหล่านี้ได้ไม่แตกต้องนเนี่ยเขาเรียกว่าถือว่าศีลยิ่งอธิศีลอธิศีลศีลห้าไม่ยอมขาดไม่ฆ่าทัพย์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติในกาไม่พูดเท็จพูดหยาบส่อเสีย ร, รวมมาถึงกิริยาที่เราเขียนข้อความใดๆเป็นเรื่องเท็จเพื่อให้คนอื่นเข้าใจผิด อันนี้มันกระมวลลงละเอียดอยูในนั้นด้วยไม่ดื่มสุรามีรัยและของมืนเมา อ, อันนี้ก็ถือว่าถือสินอย่างยิ่งศินอย่างยิ่งมันก็จะละเอียดเข้าไปเรื่อยลเอียดเข้าไปเรื่อยละเอียด เ, ยด เ, ยดเยดข้าไปเรื่อยจนเป็นอริยการตัดสินพระสมเดาบาทท่านเป็นอริยกันตัดสินนะมันเป็นศินโดยอัตโนมัติเลยแหละนีะ่ถือสินอย่างยิ่ง พวกเราตั้งใจเพื่อความเป็นพระโสดาบันสิลจะต้องเป็นอธิสินแปล ว, ว่าศิลยิ่งคือชีวิตขาดชีวิตตายดีกว่าไม่ยอมสินขาดฟังดูแต่ว่าชีวิตเขาเอาไปฆ่าดีกว่าเอาไปฆ่าดีกว่าที่จะทําให้เราสินขาดเนี่ยอธิสินเข้าใจแค่นี้พอเอาต่อไป การพิจารณาขันห้าต้องทำอย่างไรบ้างครับการพิจารณาขันห้าก็ดูขันห้ามันเป็นสุขไหมหรือมันเป็นทุกข์มันเป็นเราหรือมันเป็นเขาอขันห้ามีใครบ้างไม่ต้องการให้ร่างกายเราอ้วนท้วนแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีโรภคภัยไข้เจ็บแต่มันก็สมบัติไหมเ ด, เ, นน ون, เดี๋ยวต้องเป็นนู้นเดี๋ยวต้องเป็นนี้เดี๋ยวไปหามหมอบ่อยๆแล้วก็เจอแล้วมาเร็ย เดี๋ยวไปหาเดี๋ยเจอแล้วมาเรงเดี๋ยวเบาหวานเดี๋ยวความดันสารพัดเราก็พิจารณาหเห็นโทษของขันห้าเนี่ยขันห้าก็มีรูปคือร่างกายมีเวทนามีสัญญามีสังขามีปิญญาณเราก็พิจารณาขันขันห้าพิจารณารูปธรรมของเรานี่แหละพิจารณารูปธรรมเราก็พิจารณาให้เห็นรูปก็สักเท่าไรรูปไม่ใช่เราไม่ใช่ขอของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรา เราทําความรู้สึกว่ารูปไม่ใช่เรามันทําได้เหรอนะเราสังเกต ด, ดูเวลามันยึดว่าเป็นเราเราก็าดูแล้วก็พยายามจับให้ได้มันยึดเหลือเกินมันถือเหลือเกิ น, นเช่นอย่างร่างกายของเราแหละเราต้องการให้ขาผ่องอ้วนพีมีเรียวมีแรงไม่มีโรคภัยไม่มีไข้เจ็บเราต้องการอย่างนั้นด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย แต่ทั้งการเป็นไปตามใจหว่างของเราได้ไหมเราก็พิจารณาดูอย่างนี้แหละพิจารณาดูให้เห็นจนเลยเลยเลยสมมุติที่เรามองเห็นมองเห็นเป็นหลักของธรรมชาติเห็นผมเป็นธรรมชาติผมไม่มีเราเข้าไปอยู่ในนั้นเห็นเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นกระดูกเห็นเป็นธรรมธรรมชาติแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่าง เวลาตัณหามันแทรกเข้ามามันทําให้เราเกิดการยึดว่าโอ้เราร่างกายเราเวลามันแทรกเข้ามาจริงๆเราพยายามจับสังเกตดูถ้าเกิดอะไมันแทรกเข้ามาว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราใช้สติกําหนดจดจ่อดูอาศัยสติตื่นรู้โรคตัณหามันไม่แทรกเข้ามากายมันสัจธรรมก า, า, ายจริงๆกายสัจธวรมกายจริงๆ หรือเราจะพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้ามาบอกไม่ได้สอนไม่ได้ดีเป็นหลักของอนัตตามันเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของทุกขังอ่ะมันเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของอนิจจังมันทนอยู่ในสภาพเดิมเข้ามาเป็นเรื่องของทุกขังอนิจจังทุกขังอนัตตามันอันเดียวกันเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งอนิจจังยังไงทุกขังอันนั้นทุกขังยังไงอนิจจังอย่างนั้น อันนี้จังทุกขังเป็นเรื่องของอนัตตาอนัตตาเกณฑ์ให้เปลีนไปตามใจหวังของตัวเองตัวเองไม่ได้ทั้งนั้นแต่ตัณหาที่อยู่ในใจมันชอบเกณฑ์ชอบบังคับให้เปลี่ยนไปตามใจหวังก็เหมือนอย่างเราใช้คนที่อยู่ภายใต้บังคับของเราเอานั่ น, านมาให้สิเอา t ี่ s มาให้สิเอาเร็วๆสิชอบบังคับเขาการที่เราชอบเอาใจของเราไปบังคับสิ่งนี้สิ่งนี้ให้เป็นไปตามใจหวัง นี่แหละคืออำนาจของอัตตารู้จักไหมนี่แหละคืออัตตาคือมันไม่รู้ว่าอะไรคือเหตุปัจจัยของอะไรไม่รู้จักไม่รู้เรื่องเอาละแค่นี้พอละอาจารย์ครับขณะนี้มีแต่ความสงบจะทำยังไงให้เกิดนิพพานครับเอาให้มันสงบให้เต็มที่เวลาอิ่มมันตื่นแล้วก็อถอยมาแล้วก็พิจรารณา ต้องสง บ, บเต็มที่นะอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าจะขอสงบแล้วสงบแล้วนะความเปลี่ยนแปลงของจิตมันเปลี่ยนแปลงไปได้เร็ ว, รวมันไม่เหมือนเราขีดหินนะมันเหมือนเราขีดน้ําม่เชื่อเราไปขีดน้ํามาดูจวดสนามมันเข้ากึบเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจวดกึบเป็นเนื้อเดียวแล้วอารมณ์ภายในจิตของเราไม่สงบหนักแน่นเต็มที่เป็นอารมณ์ชาญแป๊บเดียววัด ไปแวกมาวักแวกวักแวอยู่นั้นแหละอารมณ์ภายในจิตของเราแต่ถ้าจิตสงบเต็มที่มันจะเริ่มสะสมเป็นพลั ง, เ ป, ลงเป็นพื้นเป็นฐานของมันนะจิตได้รับความสงบเต็มที่จิตจะเชื่องชินกับกับอัตภาพกับร่างกายไม่ใช่ว่าเห็นรูปพับพรวดพระไปอยู่ที่รูปยังตื่นรู้อยู่ที่นี่ รูปอยู่ที่นูนเห็นอยู่แต่ว่าผู้รู้ไม่ใช่ไปอยู่ที่นู้นอยู่ที่นี่หูก็เหมือนกันการได้ยินการได้สัมผัสสัมพันธ์อะไรแต่ไรจิตก็เราจะตื่นอยู่กับที่ไม่ใช่อยางพรวดพราบเหมือนอย่างจิตที่ไม่มีความสงบน ะ, ะคือมันมันจะเป็นตัวของตัวมันจะมันจะเป็นโดยโดยโดยอัตโนมัติของมันเราพยายามทาให้เชื่อมจริงพอหลังจากจิต ตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมาอยากพิจารณาต้องค่อยมาพิจารณามาคลี่คลายมาพิจารณาเนี่ยมันก็เดียวกันกับข้อแรกนั่นแหละอทําให้มนสงบจริงๆอย่าเพิ่งสาคัญมั่นหมายว่าสงบแล้วสงบแล้วอสงบเท่าไหร่ก็ตามกุบายจารย์ท่านไม่เคยตำหนิตำหนิแต่คนติดในความสงบเท่านั้นเองอแม้แต่ลุงตาท่านติดความสงบลุงปู่มั่นท่านก็ยังหัวท้ายวนั่นแหละนั่นแหละ ความสงบของท่านอะไรนั่นแหละคือสมุทยัยสมาธิแบบนั้นแหละคือสมุทยัยสมุทัยก็คือเหตุเกาะเหตได้เกิดให้เกิดทุกเกิดโทษออกจากทุกจากโทษไม่ได้คือยึดมั่นในสมาธิจนไม่พิจารณาปัญญาแท้ที่จริงสมาธิจะหนุนปัญญาทีนี้การเจริญปัญญาการใช้ไปมากๆเน็ดเหนื่อยทั้งข้เข้าเข้าสงบลูกตา ส, สอ่องสองอย่าง หนึ่งให้เจริญความสนุให้เต็มที่สองเวลาพิจารณาก็ให้พิจารณาให้เต็มที่เหมือนขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขยับเข้าไปเรื่อยเรื่องผลนั้นเราไม่ต้องไปคาททำไปให้เต็มที่ผลจะเกิดขึ้นเองผลจะเกิดขึ้นเองอ้าาอกาศครับเป็นมีนอะไรเป็นเครื่องอยือยันมากน้องสวัสดีครับ รกสวรรค์นเนี่ยพวกเราอยากมองเห็นด้วยตาใช่ไหมพอมันไม่เห็นด้วยตาพวกเราก็เลยปฏิเสธไม่เห็นือคนเขาตายไปแล้วตายแล้วฟื้นขึ้นมามีเยอะๆไปไปเห็นโลกนรกสันนิโรกเห็นมากมายเยอะยะๆแล้วเราเชื่อเลยไหมเราเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพุทธเจา้าไหม พระติเจ้ยายานครั้งแรกของพระองค์ปุกเพนิวาสารทุสติยานเห็นพบชาติของพระองค์เกิดตายเกิดตายเกิดตายก็แสดงว่าพบชาติมันมีมาไม่จบไม่สินส้นฉะนี้ภพชาติเหล่านั้นไม่เคยคงที่ขึ้นที่สูงขึ้นที่ต่ําเป็นสักในเทวเป็นสักในบนสวรรค์เป็นสักในนรกเป็นสักในอะไรต่อะไรเราจะไม่ยืนยันได้ยังไงเรามาดูในโลกมนุษย์เราน่ะ คนมีความสุขเต็มที่มีอยู่คนมีความทุกข์เต็มที่มีอยู่ไหมมีอยู่อืมเราจะยืนยันได้อย่างไรถ้าหากเราจะเอาผลของความสุขรกสวรรค์รกสวรรค์คืออารมณ์ของความสุขความทุกข์าาย า, ากลําบากนนหัว่ใจคืออารมณ์ของความทุกข์นั่นถือว่าเป็นนรกอืม อารมณ์ภายในใจที่มีความสุขมีความชื่นบานถือว่าเป็นอารมณ์ของสวรรค์สวรรค์แปลว่าเป็นที่เป็นที่มีอารมณ์ที่เป็นสุขสวรรค์เรามีความสุขไหมในใจของเราหรือเรามีความทุกข์เราก็ทราบได้แค่นี้ถ้าอยากให้เห็นก็มานั่งภาวนาให้มองเห็นก็แล้วกันครูบาอาจารย์ที่ท่านนั่งภาวนาท่านเห็นดูแต่หลวงปู่ เคยอ่า น, น, นประวัติหลวงปู่จันทาไหมแม่ของท่านตายไปไปตกนรกขุ่มหมึดเห็นไหมพอท่านบวชพอท่านตั้งใจบวชท่านก็ทิศส่วนบุญไปทิศ ส, ส่วนบุญที่บวชทิศให้ไปแม่ของท่านได้รับทุกครั้งทุกครั้งท่านก็ได้รับในที่สุดท่านก็พ้นนรกมาพ้นนรกมาแล้วก็มาเกิดกับหลานแม่ของท่านก็มาเกิดกับหลานตอนช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่บั้นปลายนยแม่ของท่านก็มาเกิดแล้วก็ โตแล้วนะโตแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วหรือมีครอบครัวหรื อ, อยังก็ไม่รู้นะนะเป็นครอบครัวหรื อ, อยังก็ไม่รู้นี่ลุงปู่ลุงปู่จันทามองท่านมองเห็นถ้าใครเคยอ่านประวัติของท่านท่านจะเห็นบางคนมีนิสัยท่านก็เห็นบางคนไม่มีนิสัยก็ไม่เห็นดอกสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นมันก็ไม่เป็นเหตุให้เราข้องคาในการศึกษาทางพระพุทธธรรปฏิบัติธรรมอ่า เพราะว่าผลรายได้จากการที่เราตั้งใจปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าจําเป็นจะต้องไปเห็นสิ่งเหล่านั้นเราต้องการเราต้องการให้ใจของเราพ้นทุกข์เท่านั้นเป็นพอเพราะเดี๋ยวนี้เวลาความทุกข์นั้นมันเกิดในหัวใจมันหน้าเข็ดหน้าหลาดดูสิหัวใจของใครใครท่านก็ทุกข์เรื่องนั้นคนนั้นก็ทุกข์เรื่องนั้นคนนั้นก็ทุกข์เรื่องนั้นความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงถ้าหากเราไม่มีช่องออกไม่มีทางออกทุกจนไม่มีที่ออก ทุกอยู่นั้นแหละไม่มีทางออกแต่ถ้าเรารู้จักช่องออกรู้หรือข้อปฏิบัติมารักษาจิตใจในตัวเองเรารู้จักช่องออกรู้จักที่ออกเอาแค่ okay, นี้พอขอการข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะถือสิบแปดใชไหมครับอยากทราบว่าหากข้าเจ้าถือสิบแปแล้วแต่ต้องทํางานที่มีเหตุจำเป็นทจะต้องถูไปแล้วต้องตัวเพศตรงข้ามมีดนตรีในที่งานอยากทราบว่าสีจะดัร้อยหรือไม่ อ๋อทำไมจะไม่ดา่าถ้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องดา่า <c oughs> ถ้าเราตั้งใจรักษาศีลแล้วเรายังห่วงสิ่งเหล่านั้นมันไม่สมกันอ่ะมันไม่เหมาะสมกันการที่เราตั้งใจรักษาศีลเด็ดขาดมันมีผลเมียในสงในใจของเรามากกว่าสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นเราไปโดดไปดิ้นไปเต้นไปทาจนตายก็มไม่ไม่มีอะไรดีเกินนั้นการที่เราตั้งใจรักษาศีลคืนเดียวเราตายมีอใ น, นสง่า มีผลมากกว่าเอาคนนั้นไปดิ้นจนตายคนนี้ไปรักษาศีลจนตายเอา้ดาดีไม่ดีคนนั้นไปนระกคนนี้ไปสวรรค์ขอการครับจะทนกับความเจ็บปวดทางกายเวลานั่นสมาธิอย่างไรที่อบายนะครับดูให้เห็นแต่ ว, ว่าศักดทว่าเวทนาไม่ให้เราไม่ให้ความสำคัญมันม่นหมายว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้อง เอาะไรมารู้เอาะไรมาดูเอาสติตื่นรู้โรูเจ่อผู้รู้สึกไปอยู่ท่ามกลางความเจ็บความปวดนั่นแหละที่เขาเรียกว่าทุกขเวทนาเวทนาสักจจะว่าเวทนาจริงๆถ้าเรามีสติกําหนดจดจ่อรูอยู่เวทนาสัจจะว่าเวทนาอย่าลืมว่ากายเวทนาจิตพอเราถึงทําถึงที่มันต่างกันจริง ตั้งอันจริงจริงจริ ง, รงถ้าเราทำถึงที่มันจะขาดของมันเองลองไปตั้งอกตั้งใจทำลองดูโอกาสครับเวทนาคืออะไรครับเวทนาคือความดีใจความเสียใจความสุขกายก็เป็นสุขเวทนาความทุกข์กายก็เป็นทุกขเวทนาความดีใจความดีใจเขาเรียกว่า โสมนัติเวทนาความทุกข์ใจเขาเรียกว่าโทมนัสเวทนาคืออารมณ์ที่ใจชอบอารมณ์ที่ใจไม่ชอบอารมณ์ที่ยินดีและอารมณ์อารมณ์ที่ยินร้ายตราบใดที่ยังมีอารมณ์ยินดีอารมณ์ยินร้ายมันเป็นลูกสมุนของตัณหามันแทรกเข้ามาทั้งนั้นท่านจึงให้ดูให้สักจะว่ารู้ตามหลักสักจักความเป็นจริงไม่มีเรามีเราทีไรเมื่อไร่ไ อัตราตัวตนมันก็โผล่มาความยินดีเกิดขึ้นความยินร้ายเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้พวกเราทะเลาะเบาแวงกันในสังคมก็เพราะว่าอัตราตัวตนมันโผล่ขึ้นมาทิศฐิมาน้ำก็ตามมาข้อคิดเห็นต่างๆทั้งหลายทั้งปวงก็ตามมาการทะเลาะเบาแวงก็ตามมาผิวเผินแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนสอนให้เจาะลึกไปจนถึงสาเหตุต้นต่อความยินดีความยินร้ายนั่นแหละ เป็นตัวเป็นตัวตัณหาแต่ถ้าหาเราเจริญสติกันหมดรู้จ่ออยู่เวทนาสักตวเวทนาตัณหาไม่เกิดเมื่อตัณหาไม่เกิดภพไม่เกิดชาติไม่เกิดการดับภพบดับชาติดับชาติก็คือดูเวทนาสัจตวเวทนาตัณหาไม่เกิดเราไปไล่ดูในหลักปฏิจจสมุปบาทท่านพูดไล่มาโดยลําดับเช่นอย่างอายตนะภายใน อายตนะภายนอกกระทบกันเข้าเกิดความรู้สึกเกิดความรู้สึกสักตะว่าความรู้สึกเรามีสติกําหนดจดจ่อรู้อยู่สักแต่ว่ารู้สึกจริงๆถ้าหากสติของเราเป็นมหาสติเป็นสัมมาสติสัมมาสติคือระลึกชอบระลึกชอบระลึกในกายในเวทนาในจิตในธรรมระลึกอารมณ์เฉพาะในปัจจุบันตอนนั้นสติสักตะว่าระลึกรู้ดีใจไม่เกิดเสียใจไม่เกิด อภิชาตโหมนนะไม่เกิดในหัวใจสติำหนดจดจอ่จอรูอยู่เพราะงัพะพุทธเจ้าท่านจึงสแสดงอานิสงส์การเจริญมาสตริปทานเจวันเจเดือนเจปีลองคิดดูสิเจวันเจเดือน7ปีบางคนก็รวดเร็วภายในเจวันภายในเจวันถ้ายังมียังยังมีอุป ธ, ธิเหลืออยู่ ยังมีภพชาติเหลืออยู่ยังสูงสุดได้เป็นพระอนาคามีต่ำสุดได้เป็นพระโสดาบันบางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีถือว่านานที่สุดเจ็ดปีเจ็ดปีถ้าหากยังมีอุปธิเหลืออยู่ยังมีภพชาติเหลืออยู่ได้อย่างสูงสุดได้เป็นพระอนาคามียังต่ำเป็นพระโสดาบันเจ็ดปีหปีห้าปีสี่ปีสามปีสองปีเจ็ดเดือน หกเดือนหเดือนสี่เดือนสเดือนสองเดือนครึ่งเดือนเจวันเจวันเป็นอย่างเร็วที่สุดแต่การที่เราจะทําให้ได้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าท่างตรัสไว้นั้นเราจะต้องเจริญอย่างต่อเนื่องพื้มีสติกํากับตลอดเราลองมาทําสติให้มันกล้าอยินหัวใจของเรากิเลตัณหาไม่เกิดกิเลมันแทรกเข้ามาไม่ได้ เนื่องจากจิตของเรามันทำงานอารมณ์ชัดเจนที่สุดได้เพียงครั้งละหนึ่งเดียวในเมื่อเราโรอยู่กับสติตัวนี้ตัณหามันแทรกเข้ามาไม่ได้ทำจนเชื่องทำจนชินทำจนสติเป็นมหาสติสติมีกำลังสติมีกำลังมีความแก่กล้าที่จะเรียกว่าสตินสีสตินสีสติเป็นใหญ่กิเลสตัณหาแทรกเข้ามาไม่ได้ มันจะไม่ได้ยังไงเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนี่เราเราต้องได้พุทธิยถาท่านพูดถึงอันนี้สอขนาดนี้แล้วทําให้พวกเราฟังแล้วเรามีเรามีกําลังใจอ้าทุกคนตั้งอกตั้งใจเดินไปให้ได้นะใครจะเอาเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีขอยได้ทุกคนก็แล้วกันโอกาสครับไม่มีสวรภูมิในการอานหนังสือควรแก้ยังไงดีครับอ้าวก็ทําให้เกิดจ้ ปนั่งนึกนั่งคิดนั่งปรงุงแต่เรื่องไปกินไปเที่ยวไปเล่นมันจะมีสมาธิได้ไงแล้วจะโทษใครอ่ะอสงสัยว่าปกติภาวนาพุทโธไปด้วยาบางทีก็ภาวนาแต่ลมหายใจเข้าออกเป็นปกติได้ได้แตาขณะทำ ง, งานขณะขับรถนะครับหรือทีกิจกรรมต่างๆเราจะเอาสติมากำหนดพทุทโธแด้แค่ลมหายใจเข้าออก ท่านให้อยู่กับอารมณ์เดียวขับรถแล้วก็อยู่กับรถอย่างเดียวทำความรู้สึกอยู่กับขับรถซักผ้าทำความรู้สึกอยู่กับซักผ้าตากผ้าทำความรู้สึกอยู่กับตากผ้าเ <en> ขียน <le> สือทำความรู้สึกอยู่กับเขียนสือล้างจานล้างถ้วยทำความรู้สึกอยู่กับล้างจานล้างถ้วยไม่ใช่มือล้างไปจิตนึกถึงไอ้หนุ่มที่นู่นที่นี่ท่านันแหละมันจะไปอยู่ได้ยังไงเพราะฉะนั้น หลักการเจริญมหาสติปัฏฐานจึงมีความจําเป็นมหาสติปัฏฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนโยมนะอ่าท่านสอนพวกโยมเพราะพวกโยมเหล่านี้ชอบไปอ้างว่าเป็คราวาสอ่าพระภูกิ จ, จาไม่ยางพระภูมิ ก, กรณียามีงานมากมีกรณียกิจมากไม่มีเวลาที่จะภาวนาพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนมหาสติปัฏฐานแท้ที่จริงข้อปฏิบัติในพระศาสนานั้นแหะ หลักมหาสติปัฏฐานน่ะท่านเปรียบเสมือนรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าของสัตว์ที่ใหญ่มากข้อปฏิบัติเราอื่นที่พุทธเจ้าท่านสอนเปรียบเสมือนรอยเท้าของสัตว์ตัวเ ล, เล็กๆเล็กกว่ารอยช้างเพราะฉะนั้นข้อสรุปทั้งหมดมารวมอยู่ที่มหาสติปัฏฐานทั้งหมดเราจะภาวนาอะไรยังไงก็ตามแต่รวมอยู่ในนี้ทั้งหมดพองน้อยุบนอพุโทโธพุโทโธสัมมาอรหัง จะยกม้ยกมือยกอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีกิริยาในการกระทําที่ครูบาอาจารย์ท่านเอาแง่มุมบางอย่างมาสอนเรารวมลงในไหนนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นใครเจริญตามหลักมาสติแบบฐานคนนั้นอยู่ท่ามกลางชัยสมรภูมิรู้ที่ต่อกกันกับกิเลสรู้ที่เกิดขึ้นของตัญหารู้ที่ดับของตัญหารู้ที่เกิดขึ้นของตัญหารู้ที่ตั้งอยู่ของปัญหารู้ที่ดับของตัญหารู้วิธีต่อ ก่ ก, กันกับตัณหาที่วัดเราเนี่ยเราพาสวดมหาสติทุวันทุวันวันไหนเราลงสลาเราพาสวดทุ ว, ๆๆๆๆวันทุกวันทุวันมหาสติข้อปฏิบัติอยู่ในนั้นทั้งหมดเราพาสวดเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนมหาสติปัฐานไปดูดิใครดูมหาสติปฐานที่มีทั้งคำบาลีีและก็มีทั้งคําแปลอย่างของเราเราก็พิมพ์ที่ขอนแก่นนี่แหละฮะเป็นหนังสือมหาสติปฐานโดยเฉพาะ พิมไปสองสาเดือนหมดแล้วเปลี่ยงแล้วพิมไปสองสาเดือนหมดแล้วเปลี่ยงแล้วแต่พิมครั้งละห้าร้อย <laughs> มันจะไปฟอแจกอะไรเอาอีกอีกขออนาครับคำถามที่เกี่ยวกับสมาธินะครับเราจะแก้สิ่งที่เราติดไม่ให้ติดยังไงครับอะไรน ะ, ะจะแก้สิ่งที่ติดที่ขัดข้ออยู่ไม่ให้ติด ัดข้องไงก็เราไปขัดข้องเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาทีการที่เราจะใช้ปัญญาให้เกิดพลังเราก็ให้มีความสงบเพิ่มเข้าไปใช้ปัญญาเท่านั้นแหละเช่นอย่างเราติดติดในกามฉันทะเนี่ยคือพอใจเรื่องกาเราก็พิจารณาให้เห็นโทษของการมฉันทะพยาปาทะคือความความพยาบาทเราก็พิจารณาให้เห็นโทษของพยาบาท การมชันทะพยาปาทะีทนมิทะอุทจักกุกุจาวิจิกิจฉาความฟุ้งซ่านความรำาคาญก็พยายามพระราพค่อยจิตมันอยู่กับสิ่งเดียวเรื่องเดียวหนึ่งเดียวจิตมันก็สงบได้ครับเวลานั่งสมาธิรู้สึกว่าเวลานิ่งลงไปแล้วเกิดความสงบจนมีจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองหลับไปแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่หลับรู้สึกความสบายแต่ตอนนั้นยังรู้สึกว่า รางกายอยู่นิ่ ง, งเฉยๆทำแบบนี้ถูกต้องแล้วหรือไม่มีวิธีทําให้สมาธิเจริญมากขึ้นอย่างไรก็อย่าให้อย่าให้มันขาสติให้สติมันแน่นหนามั่นคงขึ้นมันจะได้ขยับจากวิตกวิจารณ์ไปเป็นปีติสุขเอกคตาจากปีติสุขเอกะกะตาให้เหลือสุกเอกะกะตาให้เหลืออุเบกขาเอกะกะตามันจะละเอียดลึกเข้าไปโดยลําดับเหมือนบันไดห้าขั้น เราก็อยากไปถึงขั้นที่หนึ่งยังมีขั้นที่สองยังมีขั้นที่สามยังมีขั้นที่สี่แต่ถ้าเราทำโดยลำดับมันจะสงบสงบโดยลาดับมีวิตกมีวิจารมีปิติมีสุขมีเอกกาตาใครรักษาอารมณ์ทั้งห้าเหล่านี้ได้นี่เป็นอารมณ์ของปฐมฌานจิตมันอิ่มมันทิ้งวิตกทิ้งวิจารคือทิ้งคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธแต่จิตมันตื่นโร่อยู่มีปีติมีความ มีปีติมีความสุขแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีเอกขต า, าแล้วก็มีอุเบกขามีเอกขต า, ามันเลื่ละเอียดโดยลําดับเราก็ขยับไปอย่างนี้เลยสิ่งที่เป็นตัวเร่งก็คือสติปัญญาวิรยิยะอุตสาหะความอดความทนความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นนะสุปลงมาที่ฉันทนะพอใจลองทําไม่พอใจลองดูซิ มันจะเราทำให้เรามีกำลังใจไหมฉันทะเมื่อมีฉันทะแล้ววิริยะมก็มีจิตตกวิมงังสามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมันพยายามคลี่คลายปัดปกป้องของมันเองเอา้าอีกปัญหาอลมังกรรมามสุดท้ายครับตอนกลากครับเร่งสมาธิแล้วจิตใจก็บอกว่าควรสังสมบารมีต่อไปต่อถึง พุทเจ้าจะได้เป็นพุทเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของพุทธภูมินะครับ<อ>แต่ผมเห็นว่าทุกนี้มันนาเกินไปมันยาวนานเกินไปการนั้นการถอนใจจากการที่อยากเป็นพุทเจ้ามันก็ถอนไม่ได้สักทีควรที่จะทำอย่างไรดีครับช่วยแนะนำหน่อยครับหลวงปู่หลวงปู่เสาท่านปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธะหลวงปู่มั่นท่านปรารถนาเป็นพุทธะ แต่หลวงปู่มั่นท่านทราบก่อนว่าท่านเวลาเจริญภาวนาไปจนถึงจุดนั้นท่านบอกว่าข้ามไปไม่ได้ข้ามไปไม่ได้ท่านมานึกถึงบา ร, รมีส่วนนี้ท่านก็เลยลาบอกลารู้สึกว่ายาวเหลือเกินกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นสมาสัมพุทธะเนี่ยขอให้เอาแค่พอเอาตัวรอดได้ก็เอาแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงมีป ร, รารถนหลวงปู่มั่นเช่นแล้วหลวงปู่สารู้ทีหลัง หลวงปู่สาทําไปแล้วไปติดไปค้างอย่บูมันทั้งการแ น, นะนำเอ้ยไม่ใช่อาจารย์ทําแล้วเป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้ลเลคยขอให้ท่านเลิกหลามกันในเมื่อตั้อง ต, งตังเลิกหลามผู้จิตภูมิธทำของท่านก็ไม่มีอะไรขัดข้องในเมื่อเราตั้งใจสมาทานได้เราก็ตั้งใจเลิกได้แต่ตั้งใจเลิกจริงหรือเปล่าและตั้งใจเป็นพุท ธ, ธะตั้งใจจริงหรือเปล่าท่านั้นเองไม่ใช่มีแต่คำพูดเฉยๆนะ มีคนปรารถนายังเป็นพุท ธ, ธมีพูดให้เราได้ยินกับหูกับมีแต่เราดูพฤติกรรมของเขาเนี่ยเออเขาสมจริงๆเขาอดเขาทนเขานน้นเขานี้เขาอะไรต่ออะไรสารพัดและมีปัญญาจริงๆเป็นคนระดับด็อกเตอร์อ้าวแค่นี้พอสมควรแก่เวลาม า, รารครับครับระดับต่อไปนะครับคือการถวายทรื่อทยธรรมนะครับแล้วก็ ขอขมาระเถระนะครับท่านใดที่กำลมาถวายขึ้จะทำอะไรกมาด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็เขียนจรวดขใจให้ด้วยนะครับ อิมานิมายังทานเตวัตุชานนิสถาริวานิสีละวันตัสสะโโรชยามะสาทุโนพเตสีละวันโต วัตถุทานานิวัตถุทานานิสัพปริวารานิสัพปริ ane, วารานิปฏิคันหาตูปฏิคันหาตูปัมภารังอัมาังที่ขราตังทีรตัิตายะอิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพเจ้าท้หลายขพงลายขอนนองถวายขอน้องถวายซึ่งวัดคุณกา ซ e <ver> so ึ่งวัตถุธาตุอีกครั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้อีกครั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่ท่านผู้ทรงศีลแต่ท่านผู้ทรงศีลขอท่านผู้ทรงศีลทรงรับขอท่านผู้ทรงศีลทรงรับซึ่งวัตถุทาตุซึ่งวัตถุธาตุและเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้และเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชนเพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้งจารนัน สิาา่งการละนเกิดาถูถวายพระพุทธรูป <c oughs> ของเราที่วัดเรามีเยอะแล้วนะเราเอาไว้ให้พวกเราไว้บูชาตรงไหนที่เห็นเหมาะสมเอาไปกราบไหวบูชาเป็นของส่วนรวมในในหมหาวิเลยนะใครจะเห็นสมควรเอาไปไว้ตรงไหนกนะ็แล้วแต่นะเรามอบมอบไว้ให้พวกเรา มีห้องไปชมมีห้องอะไรตรงไหนก็เอาไปตั้งสำหรับกราบไหว้บูชานะเพราที่วัดเราเยอะวัดเราเยอะแล้วพระพุทธองค์ญาตใจวิารธรนะครับพรงฆิหารมหาทยักแกนแล้วก็ร่วมรวมกับญาติธรรมนะครับไปเอาไปเอาไปครับเป็นสองพันอร้อยแปดสิบาทไปอืมอืม เอาให้พอรอทนี้ให้พรอนต่อไปขอเข้ามาเขียนนะครับโดยที่หน้า105 ตุมแห่หิปิเมฆมิตับบังเจวังห้อตุกโยจะปุเบปะมชิตวาประชาโนกอมัจจติส้มมังโลกังประพาเสติอภามโตวิจันติมาอภิวารนะศิลิสริจามุธาปจาโนจตาโรูมาวัฒนติอายุปโนสุขังภาลังตั้งใจรับพอโนที่ส่วนบุญไปนะ วันนี้พวกเราได้เสียสละเวลามาาวัดสวดมนต์แล้วก็ฟังฟังฟังเทศแล้วก็สนทนาธรรมถือว่าได้ความสงบได้ความรู้ได้ความเข้าใจในพฤติกรรมที่เราจะไปทำให้ไปทาให้เกิดผลเพิ่มรายได้สูงขึ้นใจทุงตนทุ ง, งตนอุทิศส่วนบุญส่วนนี้ไป กับบินามันดาปูญ่าตายายสรพสัตทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายอุทิศสนบุญไปเราได้บุญเพิ่มอีก <c oughs> <c oughs> อยะทาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเม ว, เมวอตโตทินนางเปตาหนาังอุปกรารปติอิจฉิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวสมมิชัตุสัเพปูเรนตุสังกปา จันโทปนระโสยทถามนิโชติระโสยัาถสพีติโยวิวัชันตุสปโรโควินัสตุมาเตพวัตตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาชนะสิลิสนิจังุทธาปิจายนโัตตาโรสมะวันติอายุวโนยสุขังภาลัง ก็ไปนี่ลาทุกคนลนะนี่ลาแล้วตรบทานนนี้ไปสองชั่วโมงกว่านะ